เราก็ไม่ค่อยได้ไปชมกันเพราะมันร้อนระยะนี้มันร้อนมากนี่เราก็ไปชุมกันตั้งแต่วันที่สามใช่ปะดูเหมือนตั้งแต่วันที่สามมาเท่าไหร่ละเกือบเดือ น, นมันร้อนเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็รู้สึกเย็น มันร้อนจริงๆเราขึ้นมานั่งบนนี้นร้อนรอดบาด้บาเพราะก็เงื่อชุม่มเราอยู่ทั่วตีเราก็เดินถ้าเราถ้าเราอยู่กับพื้นนึ่มันร้อนถ้าเราเดินมันจะลงแถวเบาบาง้งเสียงดึงเกินไปน นานเราระชุมทีหนึ่งเราก็ลืมแล้วโมเราเสียงเร่งเกินไปบูรณาหอนนานเราไม่ได้ไปชุมันก็ลืม ลืมเนืลื ม, ลมตัวล็อกปรับได้ที่แล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยไปหมุนมันทำไมต้องไปปรับอะไรบ่อยครั้งเรื่องเครื่องเอย่าลองก็ไม่ลองก็เอาระดับเก่าไปเป็น ถ้าไม่มีเครื่องช่วยเสียงมันก็ไม่ไหวโคนเอาตวโกนดมนก็ไม่ไหวหน้าร้อนมันก็ร้อนฤ ด, ด, ดูร้อนหน้าร้อนมันก็ร้อน มันไม่พอดีในร่างกายของเรามันไม่พอดีมันไม่พอดีมันก็รู้สึกร้อนชุ่มชุ่มในตัวบางทีก็ส่งน้ําอาบน้ําอาบน้ําไม่ได้เช็ดตัวนะถ้าเช็ดตัวเนี่ยมันจะร้อนเร็วเกินไปไอหยดน้ําตามตัวมันยังยังไม่เหือด น, นะ ยังมีหยดน้ำตามตัวอยูเ่เงยชุมขึ้นไว้ละเงืองชุบเอาไว้ละร้อนใครอยากพอดีพอดีก็หาที่อยู่ที่เย็นๆมีที่ลมโกรกบ้างมีเป็นพื้นเป็นผนังอะไรที่มั น, น, นหนาๆมันมันไม่มันไม่มีความร้อนมันพอจะเก็บความเย็นไว้บ้างแล้วก็ไปไปพอได้ชุ่มเย็นอยู่บ้าง แท้ okay, จริงหน้าร้อนมันก็ร้อนนั่นแหละหน้าหนาวมันก็หนาวหน้าร้อนมันก็ร้อนหน้าฝนมันก็ฝนอืครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พวกเราฉลาดครูติเจ้าท่านสอนให้ฉลาดร้อนท่านก็นให้รู้จักหลบพอหาที่ชุ่มที่เย็นท่นาทนให้รู้จักแก้ไขหนาวท่านก็ให้รู้จักแก้ไข ร้อนเกินไปก็คือมันไม่พอดีหนาวเกินไปก็คือมันไม่พอดีร่างกายของคนของสัตว์นี่ยังไงมันถึงจะสบายมันพอดีพอดีมันถึงจะสบายเราดูที่สุขภาพความที่ใจเรายอมรับว่ายังไงที่ที่จะเรียกว่าสบายก็คือมันพอดีพอดีลมพัดแรงเกินไปมันก็ไม่พอดี ค่อยเกินไปก็ไม่พอดีเย็นเกินไปก็ไม่พอดีร้อนเกินไปก็ไม่พอดีเย็นเกินไปมันก็หนาวร้อนเกินไปมันก็เงโชคเงยชุ่มมันไม่พอดีความไม่พอดีมันก็ส่งไปที่กายของเราทำให้กายของเราไม่เป็นผาสุขถ้าใจเราไม่ฉลาดใจเราโง่อีกใจเราก็ไม่เป็นผ้าสุขซ้ำเติมเข้าไปเป็นสองชั้นเข้าไปี <LAUGHTER> คือเดือดร้อนเดือดร้อนไปเพราะร้อนใจมันก็เลยพลอยเดือดร้อนไปด้วยนี่คือไม่พอดีไม่รู้จักไม่รู้เรื่องะใจไม่ฉลาดหนาวเกินไปก็ไม่พอดีไม่พอดีใจก็เดือดร้อนเนีถ้าถ้าเป็นใจหนาวเกินไปก็เดือดร้อนนะร้อนเกินไปก็เดือดร้อนหนาวเกินไปก็เดือดร้อนใจมันร้อนคือใจมันไม่ชอบใจอ่ะ มันไม่น่ายินดีมันไม่น่าเพลิดเพลินมันไม่น่าเกิอนใจแต่ถ้าเราดูอีกทีที่กายของเราต่างหากที่มันไม่รู้เรื่องอะไรหนาวเกินไปมันก็ไม่รู้เรื่องร้อนเกินไปมันก็ไม่รู้เรื่องใจเป็นคนรับรู้ว่ามันร้อนเกินไปว่ามันหนาวเกินไปแล้วก็หาความสุขหาความพอดีให้กับกายทีนี้เราจะหาความพอดีให้กับใจเราจะหายัางไงถึงจะพอดี กับใจกับตัวมันเองในเมื่อร้อนใจมันก็นร้อนหนาวเกินไปใจมันก็นร้อนมันไม่พอดีเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาธรรมท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมการที่ใจการที่ปรับใจให้ยอมรับตามสภาพที่มันมีจริงมันเป็นจริงนั่นแหละอันนี้แหละคือระงับร้อนไม่รู้จักเอาไว้การที่เราไม่รู้จัก ก็คือเราไม่ได้ได้ยินไม่ได้ฟังเราไม่ได้ศึกษาเนั่งอันนี้เนิ่งไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาเนิ่งได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วแต่ขาดความภาคความเพียรขาดความสำรวมระมัดระวังขาดความต่อเนื่องในการที่จะศึกษาทมในการที่จะปฏิบัติธรรมขาดการย้อนมา ย้อนมาดูที่กายย้อนมาดูที่ใจรวมแล้วก็คือขาดสติขาดปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสติเจริญปัญญาก็คือภาวนานั่นแหละภาวนาภาวนาเท่านั้นที่จะทำให้ใจฉลาดใจฉลาดหมายความว่าใจรู้จักสภาวะตามที่มันมีจริงตามที่มันเป็นจริง ร้อนมันเป็นสภาวะอั น, นหนึ่งหนาวมันเป็นสภาวะอั น, นหนึ่งหนาวร้อนเย็นเป็นสภาวะแต่และอย่างแต่และอย่างที่เรารับรู้เรารับทราบใจรับทราบใจรับทรา บ, ร บ, รบแต่ถ้าเราไม่มีสติร้อนเกินไปใจมันก็ไม่พอใจหนาวเกินไปมันก็ไม่พอใจแม้แต่เรามาเกี่ยวข้องกันเรากระทบอารมณ์ทางตาเนี่ยเห็นกิริยาที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหมาะเนี่ย เราก็ไม่พอใจเราได้ยินเสียงทางหูเสียงไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะเพราะเราก็ไม่พอใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันคือการฝ่าฝืนหลักความเป็นจริงฝ่าฝืนหลักความเป็นจริงนะอหลักความเป็นจริงท่านให้เรารู้ว่าสภาพที่เป็นจริงของมันเป็นยังไงเสร็จแล้วให้เรายอมรับตามสภาพนั้น เรายอมรับตามสภาพนั้นอันนี้คือการระ ง, งับดับความร้อนที่ใจนะแต่ถ้าจะระ ง, งับดับความร้อนที่กายมันร้อนเกินไปเราก็ไปอาบน้ําห้มันเย็นพอมันเย็นขึ้นมาเรารู้สึกว่าร่างกายก็พอดีอ่จิตใจก็พลอยเบาสบายไปด้วยหนาวเกินไปเราก็หม่มห่มผ้าใส่ถุงมือใส่ถุงตีนใส่ถุงเท้า บาทีก็ใส่หมวกเพื่อต้องการให้ร่างกายมันอบ อ, อุ่นพอร่างกายมันพอดีมันอบ อ, อุ่นมันพอดีจิตใจก็ปล่อยได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นไปด้วยไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันพอดีความพอดีพอดีนั่นแหละเป็นความสุขของคนเป็นความสุขของมนุษย์ของสัตว์เหมือนอยังรับทานอาหารกันเหมือนกัน เรารับทานอิ่มเกินไปมันอึดอัดมันก็ไม่พอดีเนี่ยในรับความทุกข์ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นรับทานอาหารเกินไปก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่เชื่อเราลองลองใส่ดูวันไหนอาหารถูกปากถูกทา่าถูกถู ก, ถกันซะหน่อยใส่จนเต็มแปรในท้องนะ่ะใส่น้ำกาไปอีกโออึดอัดเนะ่ะไม่พอดีเลยเกิดทุกขเวทนา อันนี้อันหนึง่งอันหนึ่งก็คือรับทานอาหารไม่รู้จักพิจารณาใส่เอาใส่เอาใส่เอาอันไหนที่มันแสลงกับโรคขับธาตุขับพันของตัวเองก็ไม่ค่อยทํานึงถึงใส่เอาใส่เอาอาหารบางอย่างก็ให้โทษปวดท้องอาหารบางอย่างก็ให้โทษลมตีขึ้นลมตีลงอาหารบางอย่างก็ไล่ท้องเสียนี่แหละ าาความมันไม่พอดีของความมันไม่พอดีอะไรลับทานมากเกินไปไม่พอดีมันก็ไม่เป็นพระศุขน้อยเกินไปไม่พอดีมันก็ไม่เป็นผาสุขร์นี่คือร่างกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตถ้าเป็นเรื่องของใจแล้วเนี่ยเราต้องเอาหลักเอาหลักทำตามหลักของสั จ, จธรรมมาพูดเลย ถึงหลักขั้นประมัดจริงๆก็คื อ, คอต้องพิจารณาให้รู้สักแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมตามที่มันมีจริงตามที่มันเป็นจริงของมันน่ะแหละมันมีจริงมันเป็นจริงยังไงก็หัวใจห้องไครของเราแหละศึกษาเอารู้เอาเข้าใจเอาครับอย่างตาเห็นรูปถ้าเราจะพิจารณานะ่โอ้รูปมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยมันกลับไป ไปดูว่าโอ้รูปรูปนี้น่าชังรูปนี้น่าชอบนี่คือเราไม่ทันมันแล้วแต่ถ้าเราดูสักทวาดูสักทวารู้ก็เห็นก็คือสักทวาเห็นหรือไม่ดูไปอีกละเอียดเข้าไปอีกว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ดูแล้วก็ยอมรับพ อ, อมันเป็นอย่างนี้มันอย่นี้มันอย่างนี้ของมันแต่ถ้าหากเราไม่ชอบใจไม่พอใจใจมันก็อยากดักดักแปลงแหละ เฮยมันน่าจะอย่างนั้นมันน่ายใอย่างนี้มันถึงจะดีมันไม่น่าจะอย่างนี้มันเอาใจไปกะไปเกณฑ์ไปดัดไปแปลงแต่รูปมันก็คือเป็นรูปอย่างนั้นแหละเพราะมันมีเหตุของมันมันมีปัจจัยของมันการความรู้สึกที่ใจมันเป็นความรู้สึกที่อันหนึ่งที่ตาไปเห็นแล้วเกิดความรู้สึกที่ใจเนื่องจากว่าเราไม่ทันมันเราไม่ทันกิเลส การปฏิบัติธรรมเพื่อดูให้รู้ให้เห็นให้ทันให้เข้าใจทำไมเพื่อให้ยอมรับตามสภาวะที่มันมีตามที่มันเป็นเมื่อใจยอมรับเมื่อใจยอมรับแล้วก็ไม่มีเลยที่ใจจะไปกะไปเกณฑ์ให้มันดีขึ้นให้มันเลวลงหรือให้มันสงบนิ่งหรือให้มันเย็นหรือให้มันร้อนหรือให้มันอะไรแล้วแต่เห็นก็สักแค่ว่าเห็นไป อันนี้คือการศึกษาธรรมทีนี้เราจะทำไงเราจะมีพลังตรงนี้ทําไงเราจะมีกําลังตรงนี้กําลังที่จะมาดูให้เห็นสักเท่าไหรเห็นดูสักรู้สักเท่าไหรรู้เห็นสักเท่าไหรเห็นเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสมันไปไปกะไปเกณฑ์เพื่อเพื่อเพื่อมันเป็นการไปฝืนหลักความเป็นจริงเราก็มาฝึกซ้อมให้เรามีกําลังตรงนี้ กำลังอย่างหนึ่งก็คือกําลังแห่งความสงบของใจี่ทอย่างเราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธให้ใจมันนึกเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยจนจิตได้รับความสงบปกติของคนเราจิตถ้าไม่ได้รับความสงบน่ยจิตมันจะ ก, กระเซ็นกระสานซ่านเส็นนะแต่กระจายไปทั่วจิตไม่มีกําลังจิตไม่มีพลัง แต่ถ้าหากเราภาวนาให้จิตรวมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาจิตก็มีกำลังจิตก็มีพลังนอกจากนอกจากมีพลังแล้วน่ะอนุภาพของความสงบของจิตน่ะมันมีอนุภาพในตัวมันมีอนุภาพในตัวความสุขก็ตามมาสุขกายก็ตามมาสุขใจก็ตามมาความสุขมันเกิดขึ้นมาเพราะเพราะจิตมันสงบ เมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยภาวนาจิตเราไม่ได้รับความสงบถูกกิเลมันดึงจิตเอาไปใช้ไปนึกเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ไปนึกเรื่องรูปเรื่องนั้นไปนึกเรื่องเสียงเรื่องนี้ไปนึกเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องธุระปั่ปังเรื่องการเรื่องงานนึกจนวิตกนึกจนกังวลนมากเขาเรียกว่าบางที คิดเรื่องนี้ยังไม่จบอะเรื่องนั้นโผล่เข้ามาแหละคิดเรื่องนั้นยังไม่จบเรื่องนี้โผล่เข้ามาหนักๆเข้าเลยมันมันขวางจิตมันขวางจิตรีรีขวางขวงจิตมันขวางมันไม่มีความสงบนี่ในจิตใจมันก็สับสนวุ่นวายเครียดพอัะ น, นั้นคือเราปล่อยจิตมันคิดกระสารสร้างเซีนไปแต่ถ้าเราภาวนาให้จิตมันสงบ ความสงบก็คือความรู้ผู้รู้ที่จะกระสานกระสานเซ็นออกไปมันมารวมอยู่ที่จุดเดียวคือจุดของอารมณ์ที่เราให้สงบภาวนาพุโทธโทธพุธโทโธพุทโธที่จะมีพลังมีกําลังพลังจากความสงบของสติของสมาธาิของสมาธินั่นแนหะมันมีความสุขอยู่ในตัวมันมีความปีติอิ่มเอิบอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเรามันมีความสุขอยู่ในกาย ของเราอยู่ในใจของเราจิตใจของเราไม่เดือดไม่ดานไม่ดิ้นไม่รนสงบนิ่งมีความสุขอย่างบริสุทธิ์ความสุขที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยรูปด้วยเสียงด้วยอะไรอย่างอื่นะมันเป็นความสุขที่ไม่บริสุทธิ์นะมันเป็นความสุขที่ไปนึกชอบมีเป็นเป็นความสุขที่ไปนึกชังนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแต่ถ้าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์นะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบ ทำไมใจจึงจะสงบเราต้องเราต้องภาวนาบริกรรมให้ใจสงบสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเราต้องการให้สงบต้องการให้เขาสงบนิ่งไปเหมือนกับไม่มีโลกธาอะไรเลยเนี่ยเราทำไม่ได้เราต้องการให้เขาสงบเบื้องแรกจับให้เขามาอยู่กับอารมณ์เดียวซะก่อนให้เขาสงบแนบนิ่งไปเลยทีเดียวสงบไม่ได้เนื่องอยากจิดมันน้อมไปตามอารมณ์ อารมณ์ถึงแมเ้เราจะนั่งหลับตาก็ตามอารมณ์ที่มันล่วงไปที่ที่ที่จะเรียกว่าสัญญาสัญญาอารมณ์หรือภาษาธรรมะท่าเรียกว่าธรรมารมณ์เราหลับตาอยู่แต่รูปมันก็ปรากฏในมโนภาพเสียงก็สามารถปรากฏในมโนภาพกลิ่นก็สามารถปรากฏในมโนภาพการสัมผัสสัมผัสการจากที่เคยได้แต่ได้ต้องสิ่งนู้นสิ่งนี้ ความอบอุ่นความเย็นหนาวร้อนอะไรต่ออะไรต่างๆมันเป็นอารมณ์ที่ตกค้างอยู่ข้างไหนที่เ้าเรียกว่าสัญญาสัญญาเราหลับตาอยูอ่สิ่งต่างๆเรานั้นก็มาปรากฏที่ใจของเราเพราะฉะนั้นใจมันจึงไม่สงบมันถูกรูปสัญญานั้นดึงไปมันรูปมันถูกสัทธะสัญญาคือเสียงนะ่ะเสียงของสิ่งนั้นมันดึงไปเรื่องราวที่คิดนึกวุ่นอยู่ในใจ สงบไม่ยังไม่ได้ระงับยังไม่ได้วุ่นอยู่ในใจใจมันไม่สงบเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดําริอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยแบบอย่างที่เราว่าพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าพูดตื่นผู้เบิกบาน พุทโธโดยเนื้อหาจริงๆแล้วคือใจสงบคือใจสงบแนบแน่นใจสงบแน่นิ่งใจสงบแนบแน่นขึ้นมาทําให้ใจเราเป็นใจที่ตื่นเป็นปิตใจที่เบิกบานเป็นใจที่มีความสงบเป็นใจที่มีความสุขอันนี้โดยเนื้อหาจริงๆของคําว่าพุทโธไอที่เราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธขึ้นใจอยู่ในนี้มันอันนี้เป็นแบบอย่างนะ เป็นแบบอย่างเราเอาอันนี้แหละทำเป็นแบบอย่างพุโทโธพุธโทโธดำริคำามาดำริคือคิดนั่นแหละแต่ว่าคิดอย่างมีสติคิดอย่างมีสัมปชัญญะคิดเพื่อให้จิตอยู่กับอ น, นั่นทำความรู้สึกอยู่กับเรื่องที่เราคิดนานๆเข้านานๆเข้าจิตก็เริ่มสงบเข้ามาสงบเข้าม า, า, มาระงับเข้ามาระงับเข้ามาระงับเข้ามาจิตได้รับความสงบเหมือนกับว่าเราป้อนอาหารให้กับจิต การที่เราเอาสติไม่จับเอาสัมผัสัญญามาจับให้จิตมันอยู่นี่แหละเหมือนกับว่าเราป้อนอาหารให้กับจิตป้อนคาํ ram, คาบริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธเหมือนกับอาหารป้อนให้กับจิตพอเราป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปบริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไปจิต Salz มันเริ่มอิ่มจิตมันอิ่มอารมณ์ที่เราป้อนเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอาหารของจิตป้อนหนเข้าจิตมันก็อยู่ถึงแม้ว่าเราจะ ไม่ดั่งรีว่าพุทโธพุทโธจิตมันก็อยู่มันไม่โดดดิ้นไปเหมือนเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคยภาวนาจิตมันอยู่จิตมันอยู่ก็คือจิตมันสงบนั่นแหละจิตมันสงบก็คือจิตมันอยู่ทําไมมันถึงอยู่เพราะมันเพราะจิตมันไม่หิวแต่ที่จิตมันนึกมันคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันหิวหิวอะไรจิตมันหิวอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรอะไรเนี่ยที่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับตากับหูกับจมูกกับอะไรก็ตามที่ล่วงไปแล้วเป็นธรรมารมณ์ก็ตามจิตมันจะวิ่งไปเกาะเกี่ยวอันนั้นแหละไปดูไปดื่ม ไ, ไปเกาะกินสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปตามเรื่องตามภาษีภาษาของมันไปด้วยอํานาจของอะไรด้วยอํานาจของจิตเล็ที่มันมีอยู่ภายในใจของเราจิตมันหิวทีนี้ในเมื่อเราป้อนอาหารให้เขาเขากินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเขาอิ่มอิ่มอารมณ์ อิ่มคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถึงในเมื่ออิ่มแล้วเนี่ยเหมือนกับเรารับทานอาหารแหละพออิ่มแล้วเราก็จะหยุดแหละเราไม่ตักใส่ปากละเราไม่จับใส่ปากละเพรามันอิ่มแล้วในี่ใจอิ่มอารมณ์เช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องบริกรรมเขาก็อยู่คําว่าอยู่ก็คือสงบนั่นแหละไม่วิ่งไปรับเรื่องนั้นไม่วิ่งไปคิดเรื่องนี้หยุดสงบ นี่เป็นกำลังอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจท่านจึงให้ทำกำลังอันนี้ท่านเรียกว่ากำลังของสมาธิอทำจิตของเราให้มีคุณสมบัติที่แปลกปราหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นที่ใจดวงนั้นแหละดวงที่ทำได้นั่นแหละใครสามารถทำได้คนนั้นก็เห็นความแปลกปราหลาดอัศจรรย์ภายในใจแล้วพลังอันนี้แหละเป็นพลังของความสงบเอาความสงบอันนี้แหละไปพิจารณา ไปพิจารณาสงบอย่างสงบอย่างเดียวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเทียกว่าสมถะคือความสงบคําว่าสมถะสมถะเราดูเนื้อหาที่แท้จริงเราดูมาที่ผลที่เราทําได้มันไม่ใช่ศูนย์เปล่าเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่ดูไปให้เห็นของจริงดูให้มีของจริงกํากับดูเข้ามาที่ของจริงด้วยไม่ใช่ดูไม่ใช่ สมสถะสมสถะแล้วไปปฏิเสธหมดเราไม่เคยได้รับความสงบแล้วไปปฏิเสธว่าสมสถะไม่ไปหน้า ม, มาหลังไม่อะไรอะไรมันมีผลมันมีอนิสงส์ของมันมันมีความสงบในตัวเราเอาใจที่ได้สมสถะแล้วนี่แหละมาพิจารณาเรื่องปัญญาใจมันก็อยู่เพราะใจมันมีฐานฐานคือความสงบนั่นแหละความสงบนี่จะเกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดขึ้นจากการภาวนาอย่างลูกตาท่านเดินไป ช่วงไหนที่ทําให้สงบทั้งให้สงบให้เต็มที่ช่วงไหนที่เราพิจารณาคําว่าพิจารณาก็คือพิจารณาย้อนดูเหตุดูผลดูปัจจัยต่างๆเหตุผลปัจจัยของกายเหตุผลปัจจัยของใจความเกิดขึ้นของใจความตั้งอยู่ของใจความดับไปของใจหมายถึงอารมณ์เลยความเกิดขึ้นของกายความตั้งอยู่ของกายความดับไปของกาย ความเกิดขึ้นของกายกา ย, กายเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใดท่านให้เราศึกษาให้เร า, า, เราค้นคว้าการที่เราไมาย่ย่ย้อนมาพิจารณาค้นคว้าในกายขอ ง, ของเราเองนี่แหละท่านเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาหรือที่ท่าเรียกว่ า, ว า, ว า, า, วาใช้ปัญญาใช้ปัญญาปัญญาญานยังไม่เกิดแต่เราหัดพยายามหัดใช้ปัญญาใช้ไปมากๆเข้าจนสามารถเกิดยานที่ท่าเรียกว่าปัญญายาณ วิปัสสนายังไม่เกิดแต่เราใช้ความนึกคิดมากๆเท่าพิจารณาบ่อยครั้งเข้าจนวิปัสสนาญาณเกิดไม่ใช่นึกคิดถึงแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่เราจะต้องทำเหตุให้พอซสียก่อนถึงจะเกิดขึ้นเราจับหลักสองหลักอันนี้แหละนึ่กำลังอันหนึ่งคือกำลังของความสงบของใจกำลังอีกอันหนึ่งคือกาลังของปัญญา กำลังของจิตคือความสงบกำลังของปัญญาคือความรอบรู้นี่เองสามารถทำให้เรารอบรู้ในกองสังขารของเราได้กองสังขารกายกองสังขารใจจาเป็นอะไรที่เราจะต้องมารอบรู้กองสังขารกายกองสังขารสังขารใจเพราะเราหลงกายเราเราหลงใจเราเราหลงกายของเราก็เนื่องจากว่าเราหลงใจของเรานั่นแหละมันหลง หลงก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าใจคืออะไรกายคืออะไรในเมื่อเราไม่รู้ที่แท้จริงกิเลสมันก็ผายยึดยึดว่ากายเรากายของของเราเรามีในกายกายมีในเราใจของเราเรามีในใจใจมีในเราเรามีใจใจเป็นเราเกิดความยึดที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานเมื่อเรายึดความทุกข์ก็ตามมา ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจของเรานะ่ยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงกายนะกายนี้มันเป็นสภาวะธรรมเราพูดถึงความสุขหรือความทุกข์ของใจมันเกิดขึ้นจากใจอุปาทานใจทุกข์คือใจไม่พอใจก็คือเกิดขึ้นจากอุ ป, อปาทานใจสุขก็เกิดขึ้นจากอุปาทานอุปาทานแปลว่ายึดเอามันยึดเอาโดยอัตโนมัติอะไรพายึดกิเลสพายึด ทำไมถึงพายึดเนื่อแก้ว่าเราไม่ศึกษาเราไม่ขุดไม่คุ้ยไม่แยกไม่แยะไม่พิจารณาไม่อะไรตัอะไรไม่สมถะไม่วิปัสนาก็เลยทําให้เรายึดการยึดนี่แหละทําให้เกิดตัวเกิดตนขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาแต่พวกเราเห็นว่าเป็นอัตตาอัตตาอัตตาเพราะฉะนั้นวันคืนยืนเดินนั่งนอนเราก็รับแต่กองทุกข์ไม่จบไม่สิ้นัแหละทําไมจึงได้กองทุกข์ก็เพราะว่า สำคัญว่าเราสำคัญว่าตัวตนของเราคนนั้นทำใส่เราคนนั้นพูดด่าเราคนนั้นดูถูกเราคนนั้นเอาเปรียบเราเหมือนเราขึ้นหน้าตลอดคนนั้นเอาเปรียบเราเราทำมากกว่าคนนั้นเราเหนื่อยมากกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนนั้นเราชั่วกว่าคนนั้นเราฉลาดกว่าคนนั้นเราโงกว่าคนนั้น เราจนกว่าคนนั้นเรารวยกว่าคนนั้นเนี่ยคำว่านั้นๆเนี่ยเรามาจากเรามันมาจากตัดตาตัวตนเท่านั้นแหละแต่ละอย่างก็คือความทุกข์เกิดขึ้นคิดอย่างใดอย่างหนึ่งคือความทุกข์เกิดขึ้นคิดลักษณะที่จิเลสพาคิดแบบนี้คือความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปความทุกข์เกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้นี่ปลาทานเป็นเหยื่อได้เกิดความทุกข์ทุกทางทุกทางใจนะ อุปาทานทําให้เกิดความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราศึกษาศึกษาจนปล่อยประละวางอุปาทานแปล ว, ว่าถือเอายึดเอาถือเอายึดมาแบกแบกบาท้ายแบกบาขวายึดมาเทินบนหัวยึดมาแบกใส่หลังยึดมาใส่ตัวยึดมาใส่ตนยึดอารมณ์ทําไมถึงยึดกิเลสมันพายึดเราไม่รู้เราไม่รู้ คำว่ไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยแหละนี่เรามาตรงนี้เรามาศึกษาเรามาแพร่ถานเรามาทํางานย้อนมาพิจารณากายของเราย้อนมาพิจารณาใจของเราเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อเพื่อปล่อยประละวางระวางอะไรละวางอัตตาตัวตนถ้าเราไม่ย้อนมานี่ อัตตาตัวตวนโผล่ขึ้นมาทั้งนั้นแต่ถ้าเราเราย้อนสติย้อนปัญญามาพิจรนารณาเนี่อัตตาตัวตวนมันก็ตกไปกลายเป็นปัญญาขึ้นมาแทนกลายเป็นเราย้อนมาส่องดูกายของเราเองย้อนมาดูใจของเราเองเมื่อก่อนนั้นเราส่องไปแต่ข้างนอกส่องไปที่นู่นที่นี่ส่องใกล้ส่องไกลส่องเท่าไรก็ส่องไปแต่ข้างนอกไม่เคยส่องมาดูตัวเอง สองสิ่งนู้นสิ่งนี้เห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ชอบสิ่งนู้นสิ่งนี้ชังสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ข้างนอกไม่เคยมาชอบตัวเองไม่เคยมาชังตัวเองไม่เคยมารู้เหตุปัจจัยของตัวเองพอเราย้อนกลับเข้ามาเราพิจารณาเข้ามาทําให้ใจเราเริ่มสว่างเริ่มสว่างสวัยเริ่มมีความรู้เริ่มมีความเข้าใจเริ่มใจเริ่มสว่างสวัยรู้จักรู้จักตัวเองเมื่อเราเมื่อเรารู้จักตัวเองคําว่าอัตตาตัวตนมันก็เริ่มกระจายไป มันก็ะจายเพราะอะไรเพราะเรารู้เราเข้าใจเช่นอย่างเราเราส่องมาเห็นตัวเรานี่ประกอบไปด้วยผมประกอบไปด้วยขนด้วยเล็บด้วยฝันด้วยหนังเมื่อก่อนเราไม่รู้เราไม่เคยย้อนกลับมาเราไม่เคยแยกแยกะเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นท่านเป็นสิ่งนู้นเป็นสิ่งนี้เป็นอะไรทั้งหมดตามโลกสมมุติที่เราได้ยินได้ฟังตั้งแต่เกิดนั่นแหะ แท้จริงเราเกิดมาไม่รู้กี่ครั้งชาติก่อนเราก็เกิดแล้วก็หลงสมมติแล้วก็หลงบัญญัติเราเกิดมาเราเกิดมาในชาติปัจจุบันเนี่เราก็หลงสมมติหลงบัญญัติอยู่นี่หละก็หลงหลงหลงตามอำนาจที่กิียดมันพาสมมติตามอํานาจที่กิียดมันพาบัญญัติแล้วก็หลงอยู่อย่างนี้แหละเราไม่เคยมาพิจารณามาคลี่คลายเราย้อนมาเราจะเห็นว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเรา พิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาดูนี่คือการทํางานไม่ได้มันมันไม่ใช่งานต้องไปขุดไปคุย้ยไปขัดไปเกลาไปขีดไปเขียนไปสับไปฟันไปตัดไปถอนอะไรเหมือนเหมือนงานการอย่างอื่นมันเป็นงานที่ย้อนมาดูดูให้ชัดเจนดูผมก็ดูให้ชัดเจนดูผมดูจนเลยผมไปไม่ใช่ผมสักแต่ว่าเป็นสภาวะธรรม ถ้ายังเป็นผมอยู่ก็คือยังติดอยู่ในสมสมุติสมมุติว่าผมเราดูให้เห็นสักเท่ว่าเป็นสภาวะอย่างหนึ่งดำดำเป็นผมเอาใจเอาความรู้ผู้รู้นะั้นแทรกเข้าไปในในดำดำนั่นแหละดำดำก็สักแต่ว่าเป็นดำดำไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีเราไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นทั้งนั้นดูให้เลยสมมุติบัญญัติไปดูให้เลยคําว่าผม พอะดูเลยผมได้ขนเราก็ดูเลยได้เล็บเราก็ดูเลยได้ดูเลยเล็บเข้าไปถ้าเราไปติดใจอยู่แค่คําว่าเล็บก็คือเรายังติดสมมุติอยู่เห็นแต่เล็บโผล่ขึ้นมาเราเอาใจของเราจิ้มไปแทรกเข้าไปอยู่อยู่ท่ามกลางเล็บนั่นแหละให้เห็นแต่ศักทว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งของมันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่มาเกี่ยวข้อง มาพัวพันกันมาเกาะกลุ่มกันเป็นกายเดียวอาการสามสิบสองเราไล่ไปที่ผมขนทับฟันหนังเนเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกมาหัวใจตับฟังผืดไตปวดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาการสามสิบสองอยู่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดนะถ้าให้เราย้อนมามาไล่ไล่พิจารณาไล่ให้เห็นให้เลยไปให้เลยบัญญัติไปให้เลยบัญญัติแล้วจะเข้าถึงสัจจะที่แท้จริงของมัน ใจของเรามันจะละเอียดเข้าไปเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเลยผมเลยขนเลยเล็บเลยฟันเลยหนังเลยจนเลยสมมติบัญญัติไปทั้งหมดอถึงจะสามารถทําลายอัตตาตัวตนได้ถ้าสมมุติบัญญัติยังปรากฏโยนมันทําลายอัตตาตัวตนไม่ได้ดอกเป็นเราเป็นของของเราอยู่ร่ำไปเป็นท่านเป็นของของท่านอยู่ร่ำไปยีเลียนพายึด คือย้อนมาพิจารณามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานเราศึกษาสิ่งเหล่านี้แตกฉานเกิดความรู้เกิดความเข้าใจสามารถถอนอัตตาถอนตัวตนได้ถอนอัตตานุทิฏฐิตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้ที่เขเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันก็จิตละเอียดมากนั่นแหละ จิตยอมรับสภาวธรรมทั้งหมดสัจธว่าเป็นสภาวธรรมมันมีเหตุของมันมันมีปัจจัยของมันมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันการที่เรามาไล่เหตุไล่ปัจจัยนี่แนหะมันเป็นการมาฝึกมาทดสอบมาทบทวนเพื่อให้จิตซอยละเอียดทียิบเพื่อจิตจะเข้าถึงหลักความเป็นจริงได้ไม่งั้นไม่เห็นถ้าเราไม่ซอยไม่ละเอียดไม่ทียิบถึงขนาดนี้มันจะไม่เห็นหรอก เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าโลกนี้ก็ตามโลกไหนๆก็ตามที่เราผ่านมากี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันก็ตามเราลุ่มหลงมาไม่มีจุดจบไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายยืดยาวเท่าไหร่เราก็รู้เม่ไหรเราทราบเม่ไหรการที่เราจะมาจาแรกแยกแยกสิ่งเหล่านี้ให้รู้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววันชั่วเดือน ช่วงหนึ่งปีสองปีเนี่ยมันเป็นไปได้ ย, ยากบางทีเราสั่งสมมาน้อยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกยกเว้นแต่เราสั่งสมมามากที่ยังสั่งสมชาติก่อนสั่งสมมาจนใกล้จะได้เป็นพระสวสดาบาลแล้วจิตใจละเอียดเต็มที่แล้วล่ะชาตินี้มีโอกาสมาเกิดในปฏิรูประเทศได้มีโอกาสศึกษาทําได้ปฏิบัติทมย้อนมาพิจารณาอีกไม่ไม่มากนักนก็สามารถจะปล่อยประล ะ, ละวางอัตราตัวตวนได้ ละสักกายทิฏฐิได้ง่ายเนื่องจากว่าเราทําไว้มากแล้วเราสะสมไว้มากสังสมไว้มากแล้วสะสมความฉลาดของสติของปัญญาไว้มากแล้วนี่มันแตกต่างกันที่ว่าสะสมมากสะสมน้อยนั่นแหละเริ่มสะสมสะสมมายาวนานสะสมมากก็คือต้องสะสมมายาวนานสะสมน้อยก็คือเพิ่งเริ่มรู้เริ่มเข้าใจนมัเริ่มฝึกหัดเริ่มดัดเริ่มทํา เรามาคิดดูงานการบางอย่างนะบางคนเขาชำนาญช่ำชองทำเฉอย่งชํ า, ช า, ชานิชํนานาญเพราะเขาอยู่กับงานต่างๆเหล่านั้นมาตลอดอบางทีเราเริ่มจับนาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้ครึ่งวันครึ่งแรกของวันครึ่งหลังของวันก็จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อ ok, เข้าใจไปเรื่องรู้เรื่อ ok, ยรู้ ok, เรือ ok, รู้ ok, เ ok. มื่อยเเราเก็บของใส่ภาชนะนั่นแหละ ใจของเราก็เป็นภาชนะแต่ละคนแต่ละคนมีภาชนะแต่ละดวงทั้งดวงต่างก็เก็บบุญสะสมบุญเข้าไปในภาชนะใครที่สะสมมามากคนนั้นก็ใกล้เต็มเข้าไปทุกทีใกล้เต็มเข้าไปทุกทีใครที่เพิ่งเริ่มเก็บเริ่มสะสมสะสมบุญญาบารมีมันก็เพิ่งเพิ่งมีบางทีดูไม่เห็นเลยถ้าเผื่อเราจะเทียบว่าพาชนะเป็นอะไรเป็นครุหรือเป็นบาดหรือเป็นอะไรที่อยู่ในนั้น่ะเราเทียบได้กับน้ำเอา คนที่สะสมมามากก็เหมือนกับน้ําปริมอยู่ขอบแล้วสมมติเราเป็นบาทเงี้ยปริมขอบบาทล่ะถ้าเราเริ่มเริ่มสะสมมาเนี่ยเพิ่งเริ่มสะสมมาเนี่ยบางทีกันน้ําก็เพิ่งสมมติเราเริ่มมาหยดให้น้ำเริ่มลงทีละหยดสองหยดดูยังไม่เห็นเลยทีแรกโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะเต็มอะระยะเวลาการฝึกฝนอบรมก็เช่นเดียวกัน การรู้ทำการเข้าใจทำการรู้ทั่วถึงทำไปเช่นเดียวกันอาศัยการสั่งสมอาศัยการอบรมเราทํามานานแต่ว่าเราขาดความสนใจมีความสนใจน้อยเราก็ได้น้อยเราทํามานานเรามีความสนใจมากทําอย่างต่อเนื่องทําด้วยความรีบเร่งผลมันก็ย่อมเกิดขึ้นตามนั้นถ้าเราจะเทียบเหมือนอย่างเราเดินจากนี้ไปนู่นน่ะน้องอ้อเนี่ย ไอ้คนหนึ่งอ่ะไอ้คนหนึ่งกลิ้งไปเราเทียบนะคนหนึ่งกลิ้งไปไอ้คนหนึ่งเดินช้าๆไปไอ้คนหนึ่งยืดเต็มขาเนี่ยเดินยุบยุบยุบยุบไปกับไอ้คนหนึ่งคนหนึ่งวิ่งเหาะาะเะหกับไอ้คนหนึ่งวิ่งห่อเข้าไปเลยเนี่ยลักษณะที่คนเดินกับคนวิ่งทั้งหมดนี้ใครจะถึงก่อนพวกพวกเราก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่กลิ้งไปเนี่ยถึงที่หลังหมู่ คนที่เดินช้าๆไปครับก็ถึงที่หลังที่สุดถึงก่อนคนวิ่งคนเดินก็ถึงก่อนคนเดินช้าๆเน่ยคนวิ่งหย่อๆถึงก่อนก่อนคนคนเดินคนวินอออ่งห่อน่ยย่อมถึงก่อนเขาหมดอันนี้คือการตั้งสมุติเทียบเทียงเพื่อเกิดความรูกก้เกิดความเข้าใจที่นี้เรา คิดเทียบเคียงอย่างนี้ได้แล้วเราก็ย้อนมาที่ตัวเราย้อนมาที่ตัวเราเราสะสมสั่งสมอบรมได้มากน้อยแค่ไหนขนาดไหนความสงบเราตั้งใจทําเรามีความสงบมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนความรอบรู้ในกองสังขารของเราที่เราตั้งใจจะพิจรารณาให้เกิดความรอบรู้เกิดความเข้าใจเรามีความเข้าใจถึงขั้นไหนระดับไหนถึงขั้นที่ว่าปล่อยประละวางตันเหวิปาทาน ถึงขั้นที่ว่าละสักกายทิฏฐิวิกิจิณาศิลปตาบรามาตละกามราคะละปฏิฆะจนนุ่นละไปจนถึงอวิชชาเราถึงขั้นไหนระดับไหนทําไมถึงจะมีสิทธถึงจะเป็นสิทธิ์ของเราบ้างเมื่อไรจะเป็นสิทธิ์ของเราบ้างเมือเอเม่อไรจะเป็นโอกาสของเราบ้าง ย่อมมีได้ย่อมเป็นได้ครูบาอาจารย์ทำไปแล้วท่านผ่านไปแล้วท่านก้าวไปแล้วท่านผ่านพ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ผ่านไปแล้วท่านก้าวไปแล้วท่านพ้นไปแล้วพ้นจากโลกเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าอย่างคําที่ท่านพูดเปรียบเทียบมากมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ํำคงคาที่ท่านตัดสรู้ไปแล้วกับพระสาวกของแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่านมรรลุธทําไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วเอ่มาก กว่าเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาเราไม่ต้องพูดถึงพุทธเจ้านักมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคากับภาษาวกที่จำเป็นจะต้องเดินตามพระศาสนาเนี่ยมันมากขนาดไหนมันกี่กี่แม่น้ําคงคามันกี่สิบแม่น้ําคงคาเนะี่ยเท่าภาษาวกไปเทียบเคียง่ะท่านผ่านไปแล้วท่านพ้นไปแล้วเพราะโลกนี้ตั้งแต่ไหนไหนมาโลกกับธรรมนี่จะเคียงคู่กันไปตลอดมีโลกและพิธรรมมีโลกแล้วก็มีธรรม มีกับคาว่ากับปะกับปะก็คือการตั้งขึ้นของโลกการเจริญขึ้นของโลกการตั้งขึ้นกับการเจริญขึ้นเจริญขึ้นเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมพอเริ่มเสื่อมแล้วก็ปลายกันดับไปมันมีอยู่สี่ช่วงเนี่ยอันนี้เป็นโลกวัตถุเนี่ยทีนี้เป็นกับเป็นกับเราเกิดมาแต่ละคนละคนไม่รู้เกิดมาคนละกี่กับกี่กับกับปะกลับปะ อสงไข่กับแสนมหากรับซีอสงไข่อย่างพุทธเจ้าท่าสร้างบารมีสีอสงไข่คาว่าสีอสงไข่นี่เนิ่นนานเหลือเกินนับไม่ได้ถึงสี่ครั้งอสงไขยอสงไข่สงไขสงไข่แปลว่านับนับได้สังขยาเนี่ยมาจากสังขยาสงสงไข่แปลว่านับนับได้อสงไข่แปลว่านับไม่ได้พุทธเจ้าของเราเนี่ย สร้างโดยปัญญาปัญญาบารมีสี่อาศงไขกับแสนมหากับกคิดดูสิแล้วกับหนึ่งกับหนึ่งเนนานสักเท่าไหร่นี่พวกเราวนเวียนในวัฏสงสารยืดยาวนานถึงขนาดนั้นแหละทีนี้การมีทําการบรรลุธรรมกรม็มเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับโลกมีโลกเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะไปตรัสรู้แต่ละกับแต่ละกับจะมีพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้มาได้ตรัสรู้เพื่อสอนพระสาวก สนหัวใจของสัตว์อะร่รให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจกลับบางกลับมีพระพุทธเจ้าไปอุบัติไปเกิดขึ้นมีขึ้นกลับบางกลับก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไปบังเกิดขึ้นอีกเนี่ยเช่นอย่างกลับที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรียกว่าพัดทะกับพัดทะกับแปล ว, ว่ากลับที่งามมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตามที่ท่านทรงตรัพยากรไว้สีออส่องค์อะสี่องค์ยังเหลืออีกองหนึ่งพระศรีอริยมิ ปัจจุบันในศาสนาของพระโคโดมพระพุทธเจ้าโคโดมพุท ธ, ธะห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์กลับนี้เป็นกลับที่งามเพราะพระพุทธเจ้าจะต้องมาอุบัตห้าองค์เมื่ออุบัตรครบห้าองค์น่ะกับนี้ถึงจะทําลายถึงจะทําลายไปเกิดขับขึ้นใหม่มันก็มีอยู่เนี้ยอันนี้เป็นคําพูดที่เปรียบเทียบ ซึ่งพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราจะให้คะแนนเรายัางไงถ้าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีโอกาสเนี่ยเราก็คงไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ไปแล้วประเภทปัญญาทิกะโพ ธ, ธิสัตว์สร้างปัญญาบา ร, รมีมีปัญญามาก ปัญญาทิกะศรัทธาที่กะวิริยาที่กะวิริยาที่กะก็แปอสงไขสัทธาที่กะ ก, ก, ก, กอสอ็สิบหอสองไขคิบหกอสองไขสิบหอสองไขยิ่งยาวเข้าไปสร้างบารมีมาเพื่อบรรลุเพื่ อ, อตัดสรู้อันนี้เป็นความรู้ทำให้เรา เกิดความรู้เกิดความการได้ยินได้ฟังมันเป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เราได้ยินได้ฟังทีนี้ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราทําไงเราก็ต้องตั้งใจภาวนาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจทําให้ใจสงบเพราะความสงบเป็นกําลังของใจเพื่อที่จะมาถ่ายมาถอนตันหาอุ ป, ปาฏฐานไปจากลมใจของเราทําไมต้องถ่ายต้องถอนมัน เพราะตันหาอุปาทานะมันเป็นพิษเป็นภัยของใจพิษสองของมันคืออะไรอ่ะพิษสองของมันก็คือแสดงมาอย่างหนึง่งทําให้ใจมีความโกรธแสดงมาอีอย่างหนึง่งทําให้ใจมีความโลภมีความโกรธมีอิจฉามีทิษยามีตันหามีราคะมีพยาบาทเกิด ค, ความโลภเกิด ค, ความโกรธเพราะอาศัยความลุ่มหลงนั่นแหละ ความลุ่มหลงเป็นพื้นเป็นพืชทําให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธความโลภกับความโกรธมันทิ่มแทงหัวใจของเรานะดูเวลาเราโกรธมันทิ่มแทงไหมดูเวลาเราโลภเนี่ยโลภวุ่นวายดูนี่โลภจนปะลายกันให้ประเทศไทยกับคนคนเดียวมันก็ไม่พอเห็นไหมโลภโลภที่จะเอาสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านไม่พอกี่แสนแสนล้านให้โลกประเทศไทยหมด ทังประเทศไทยก็ไม่พอหมดทั้งประเทศไทยมันก็ไม่พอให้โรกโลกนี้หมดทั้งโลกมันก็ไม่พอให้หมดทั้งสามโลกกามโลกรูปโลกอารมณ์โลกมันก็ไม่พอนี่ความโลกนํามาซึ่งความทุกข์ทุกข์พื้นพื้นธรรมดาหาทำมาหากินหนักแย่งหนักเข้าแข่งแย่งกันฆ่ากันเห็นไหมเห็นเขาฆ่าแข่งกันไหมเนี่ยฆ่าแข่งกันเล่นเห็นบะเพราะอะไรเพราะอำนาจของความโลกเห็นไหมนี่คือพิษภัยของความโลก นี่คือพิษภัยของกิเลสที่มันมีอยู่ในใจของคนของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านศึกษาครบสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ช่องออกรู้ที่ออกรู้ทางออกรู้ทางปฏิบัติเพื่อสัมรอดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปจากหัวใจท่านจึงสอนให้เราภาวนาเนี่ยภาวนาให้ใจมีกําลังคือความสงบแล้วก็พิจารณาให้เกิดกําลังคือปัญญาเพื่อทําลายสังโยชน์ที่มัน เป็นเค Phoenix, รื่องร้อยรัดมั ด, ห, ด, ห, ดหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นวัฏสงสารนี่ไม่มีจุดจบหมุนไปเหมือนลอ้อล้อไม่มีที่ไม่มีที่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สุดกลมๆไม่มีที่สิ้นสุดเราก <c 's perfect> เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนมาอยู่ที่เก่าขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าตรงนี้เราเคยผ่านไปแล้วตรงนี้เราเคยมาเกิดแล้ว เราก็ไม่รู้จักมารู้จักต้นมารู้จักปลายเรายิงพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนาไปบนกองทุกพัฒนาไปบนความทุกข์ทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายมันทุกขนาดไหนเราก็ดูเถอะเวลาเราประสบพบเจอเองเราดูมันเป็นไงแค่เสียใจแค่น้อยใจเราคิดดูที่มันเหี่ยวแห้งเหือดแห้งหัวใจไหมถึงขั้นด่ากาันอีกถึงขั้นทะละ ทเลาะบอกไว้ถึงขั้นด่ากันถึงขั้นฆ่ากันเป็นยังไงความทุกข์สมมติเราถูกเขายิงเราถูกเขาฆ่าเขาแกงเขาแทงเขาตีเนี่ยมันทุกขนาดไหนทุกจนตายอทุกจนตายนี่คือความทุกข์คือความทุกข์บางทีไม่ถึงตายก็อยู่เจ็บเจ็ บ, จบปวดปวดพิการเนี้ยตาบอดหูหนวกขาหักแข้งหักทําไม ความทุกข์ความทรมานนี่ทุกขนาดไหนมันน่าเจ็บแสบปวดร้อนในหัวใจกันสักขนาดไหนถ้าเราไม่พิจารณามาที่กายของเราเราก็ไม่เห็นว่ากายของเราทุกเมื่อเราไม่เห็นว่ากายของเราทุกเราก็ไม่ดิ้นรนเพื่อที่จะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวนั่นแหละคือวิธีภาวนาวิชาการทางโลอกอย่างเป็นมากมายมหาศาลแต่ก็สอนเพื่อเป็นวิชาชีพเราศึกษา พ, พอเป็นวิชาชีพ แต่ศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ศึกษาเพื่อค้นทุกเพื่อออกจากทุกทุกนี้เราจะออกจากมันได้เราจะต้องรู้สาเหตุของมันเหตุของกองทุกทั้งหลายทั้งปวงนั้นะคือตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วก็มันพายึดพาถือที่ที่เรยวอุปาทานพายึดพาถือทั้งหมดยึดทุกสิ่งทุกอย่างยึดสารพัดอุปาทานยึดเอาทั้งหมดรวมมาถึงว่ายึดกายเราว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเรา ผู้ปีเจ้าทานทรงกล่าว no no, ่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่กายของเราทําไมเราจะเข้าถึงคําว่าไม่ใช่กายของเราเราก็มาแยกแยะมาพิจารณาจนเห็นว่าโอไม่ใช่กายของเราจริงๆไม่ใช่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาที่กายกายก็ทัานก็ทรงใจอยแล้วว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันไม่ใช่กายของเรา มันไม่มีกายของเราเลยที่พวกเรามายึดอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เอาใจของเรามายึดกายอะไรเป็นเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่เราคลองอยู่ยืนอยู่มันเป็นของเราไหมทําไมเราจะรู้สึกตัวได้ให้เราย้อนไปที่ท้องแม่นั่นธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันในท้องแม่มีอีของเราไหม มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของเรามีไหมไม่มีพอาธาตุของพอ่อธาตุของแม่ผสมกันแล้วไปเจริญเติบโตในท้องแม่แล้วก็ออกมาเป็นเราเ่ยจิตใจของเราไ ป, ไ ป, ไปจับไปจรองไปเกี่ยวไปคล้องด้วยอำนาจของกรรมกรรมของไข่ของไครกันได้ตามภาวะของกรรมของตนของตนนั่นแหละเราดูข้อนี้เป็นอุปมา ก็เป็นเหตุให้เรามาศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจโอ้ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาของเราจริงๆถา้าพ่อถา้าไม่ผสมกันเจริญออกมาตามภาวะความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์พ่อออกมาแล้วเราก็ยึดใจมันมายึดรู ป, ปธรรมมันนั้นอานาจของกรรมมันติดมากับใจแล้วมันก็ไปได้รู ป, ปธรรมอันนั้นตามภาวะของมันของกรรมนั่นแหละถ้ากรรมชั่วยาบมากๆ มันก็ไปได้อัตภาพเป็นหมาไปอัตภาพเป็นควายเป็นวัวเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงูเป็นกระจนกระแตเป็นหนูเป็นอะไรไปอย่างนั้นมันได้ไปตามภาวะของกรรมจิตใจของกรรมจิตใจของใครก็หาผามกรรมมาด้วยกันแล้วก็ไปแทรกไปแทรกอยู่กับรูปธรรมตามอํานาจของกรรมนั้นกรรมดีขึ้นมาหน่อยสมควรที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์มันก็มาเกิดในทองมนุษย์ มันก็นี่มันมันก็มีภาวะเป็นมนุษย์เจริญเติบโตมาเป็นมนุษย์มีหัวมีลำตัวมีแขน ม, มีขาออกมาพร้อมกับจิตคือผู้รู้พร้อมกับจิตคือผู้รู้ผู้รู้นี่มามาเกาะมาปุมมายึดมาถือเอาเนี่ยพิจารณาย้อนไปนี้ก็ทำให้เราเข้าใจความเกิดของกายได้กายเกิดขึ้นอย่างนี้นะสังขารสองสิ่ง คือของประกอบกันตั้งแต่สองสีเป็นต้นไปทั้งที่ว่าสังขารสังขารที่เขาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเหมือนอย่างธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันหลังจากผสมกันแล้วจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนน้าใสๆที่ประกอบกันนั้นเปลี่ยนมาเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเนื้อล้าง เป็นน้ำเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรเป็นตัวเป็นตันเป็นปันจัตสาขาเป็นหัวเป็นมือเป็นตีนเป็นลำตัวออกมาไม่มีหยุดอยู่กับที่หละพอออกมาแล้วก็ไม่มีดูมีอะไรอยู่กับที่บ้างไม่มีอะไรอยู่กับที่ไม่มีอะไรอยู่กับที่นะคนนอนแก่มาเลยแก่มาเลยแก่มาเลยเจริญมาเลยเจริญมาเลยภาษาธรรมะท่าเรียกว่าแก่มาเลยแก่มาเลยไม่มีหยุดอยู่กับที่ ความที่อัตภาพร่างกายของเรา Kazuto มันไม่หยุดอยู่กับที่นี่แหละทั้งที่วัตทุกทุกขังทุกขังทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันจะต้อ ง, องเปลี่ยนแปลงไปจากรูปเดิมของมันจากสันฐานเดิมของมันจากอาการเดิมจากลักษณะเดิมจากปริมาณเดิมมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อมันประกอบกันแล้วมันไม่เคยอยู่กับที่อันนี้เป็นอันนี้จังเป็นทุกขังมันเปลี่ยนไป ลักษณะที่เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังลักษณะที่มันคงที่ไม่ได้เนเป็นทุกขังเราดูอันนี้เป็นข้ออุปมาแล้วก็ทำให้เรามาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจถึงรูปปัจาวะของเราสภาวะของจิตเพียเช่นเดียวกันสภาวะของนามธรรมาใจเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่รทรงท่านไม่ทรงพรยากรณ์พวกเราเกิดขึ้นมาไม่รู้คนลกิกับพี่กันเยเราก็รู้ไม่ได้ บุตรเจ้าท่านไม่สรงพยากรณ์ว่าใจดวงนั้นเกิดตอนนั้นเมื่อ น, นั้นที่นั่นท่านไม่ทรงพยากรณ์ท่านชี้ไปที่อวิชชาอวิชชาอวิชชาพาให้เราเกิดมาลูกปีภพกินชาติกีนกับอีกการเราเขารู้ไม่ได้เกิดเป็นเกิดมาได้อาศัยร่างกายของคนก็เกิดเป็นคนไปอาศัยร่างกายของสัตว์ก็เกิดเป็นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ในน้ําสัตว์บนบกสัตว์บินได้อะไรได้ อาศัยกรรมที่มีวิูที่ใจแหละไปอาศัยไปเกิดมันไม่มีที่จบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบใจเกิดเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่าทรงตรัส ว, ว, ว่าอาวิชชาอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาตัวนี้แหละมันเป็นต้นต่อเป็นสาเหตุให้เกิดกิดเลสเนี่ยเลยเกิดตัญหาคือรอุปาทาน เกิดตัณหาเกิดดุปาทานพระติจเจ้าทรงตรัสรูว้ว่าตัณหาปาทานเนี่ยเป็นพลังงานอย่างหนึ่งของกิเลสที่มีภายในใจพระองค์ก็มาพิจารณาย้อนไปย้อนมาซ้ำรอบไปซ้ำรอบมาซ้ำรอบมาซ้เข้าหลักปัจจัยการเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทน่ยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนี่ยไล่มามันเป็นหลักมันเป็นปัจญาอย่างละเอียดลึกซึ่งทีเดียวแหละอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร สังขารก็คือสิ่งที่มีตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาปรุงแต่งกันมาประกอบกันมันประกอบขึ้นมาสังขารเป็นปัจจัยเกิดยินญาณยินญานเป็นปใจใันนนนปนปใจจัยเกิดนามมาลูกเห็นไหมมันสัมผัสสัมพันธ์กันมาตลอดมันเป็นปรัชญายชั้นสูงทีเดียวยินญานเป็นปใจใัจจัยเกิดนามเกิดรูปเกิดกายนี้เกิดใจนี้แต่ว่าใจนี้ ใจนี้คำว่าเกิดนามเกิดรูปในที่นี้หมายความว่าเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณไม่ใช่วิญญาณธรราตมันเป็นวิญญาณนักขันอ่าเป็นที่เป็นอาการของใจที่หนึง่งอาการของใจก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้แต่อาการของกายของเราร่างกายของเรานี้ก็เป็นอาการของใจเหมือนกันเพราะใจมันยังมี บาปมีกรรมมีเพมีชาติเราจะต้องไปเกิดเราจะต้องไปมีตัวมีตนเพื่อที่จะตอบสนองผู้รู้อันนั้นเราจะต้องไปมีอัตภาพร่างกายผู้รู้อันนั้นก็ไปหาเสพสุดทุั่วไปการที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาผ่านร่างกายเนี่ยเห็นตาเห็นรูปเกิดความยินดีเกิดความยินร้าย เกิดสัญญาจําได้สังขารวิญญาณนี่เป็นอาการของใจรูปก็เป็นอาการของใจรวมลงแล้วเป็นขันห้านี่ท่านเรียกว่าที่ท่านเรียกว่านามาวิญญาณเป็นเป็นปัจจัยเกิดนามรูปหมายถึงนามรูปอันนี้วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปหมายถึงนามรูปอันนี้คือนามนามคือขันห้าขันทั้งสี่ รูปก็คือร่างกายนี้เป็นขันห้าด้วยสาเหตุที่จิตอคือจิตวิญญาณธาตุนั่นแหละมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุนั่นนหะมันไม่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกลีถ้าเป็นเพชรก็ยังไม่ได้เจียระไนให้เป็นรูปพันรูปพันสันธานอย่างนั้นอย่างนี้ ทีนี้เรามาขัดเกลามาเกียรนัยรู้ที่เจ้าท่านมาทรงมาเกียรนัยอาศัยอำนาจบุญญาบา ร, รมีฝึกฝนอบรมมาจนสามารถเกียรนัยพระองค์ได้เป็นในช่างที่เกียรนัยชั้นเอกแล้วก็มาสอนลูกศิษย์ให้เอานะตัวใครตัวมันเกียรนัยใจของใครของเราเกียวบต่างคนต่างเกียรนัยเอาพวกเราก็รับ ความรู้รับหลักการที่พระองค์ทรงสอนน่ะมาเจรไนเราจะเห็นว่าพระอัญญาโกนธัญญนะท่านเจรไนตามที่พระบุตรเจา้าท่าทรงตรัสทร ง, งสอนพอจบธรรมาจาับกับวัฒนสูตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมน่าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้เข้าใจเรื่องกายรู้เข้าใจเรื่องจิตละขั้นหนึ่งได้เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมละ ความเป็นตัวเป็นตนได้มีความนึกคิดว่าเออใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆเกิดขึ้นจากเหตุอันนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนะี้อันนะอืยเป็น ป, จปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปใจใัจจัยเกิดอายตนะเกิดตา ห, งหงูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นเหตุให้เกิดความสัมผัสก็คือมันพันกันเรื่องรูปกับนามมาตลอดนั้นอือ หูจมกเลี้ยงกายใจมันก็สัมพันธ์สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพมันมีตัวรู้มันมีผู้รู้อีกตั้งหาก็กคือธาตุรูค้คือใจนั่นแหละเี่นอย่างตาเป็นอายตนะภายในไปนกระทบรูปอายตนะภายนอกรูปภายนอกปรากฏที่ตาของเราเพราะว่าเรามีใจเกิดความรู้ว่ารูปขาวรูปดํารูปแดงที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณจักขุวิญญาณเกิดความรู้แจ้งทางตา หูก็เช่นเดียวกันได้ยินเสียงนู้นเสียงนู้นเสียงนู้นนี่คือนี่คือนามรูปมันมันสัมผัสกันอายตนะมันสัมผัสกันอายตนะทําให้เกิดผัสสะผัสสะทําให้เกิดเวทนาเวทนาก็คือพอใจไม่พอใจยินดีกับยินร้ายแม้แต่อุเบกขาเฉยๆนี่ก็เป็นเวทนาเวทนาสามไปดูตีสุขเวทนาทุกวเวทนาเบกขาเวทนาเฉยๆมันก็ยังเป็นเเวทนา ทำไมถึงเป็นเวทนาเพราะว่าจิตดวงนั้นยังอมสุขเวทนาอยู่ยังอมทุกขเวทนาอยู่เพราะฉะนั้นเฉยเฉยก็ต้องมีเฉยเฉยท่านยังเอาเวทนาเวทนาถ้าจะแปลาตามตัวหนังสือแปลว่ากินอารมณ์เสวย อ, อารมณ์อารมณ์ดีใจก็พอใจอารมณ์ไม่น่ายินดีก็ไม่พอใจไม่พอใจไม่ยินดีก็ไม่ไมพอใจยินดีก็น่าก็น่าพอใจ ยินดีหรือก็ตามยินร้ายก็ตามเป็นสุขเวทนากับเป็นทุกขเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหามันตามเข้ามา่ะตันหามัเกิดตามมาตันหาในัทีนี้มันเป็นตันหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นจับตาหูรูปเสียงอะไรที่มันกระทบกันในปัจจุบันแต่ตัวตันหาที่แท้จริงมันเกิดขึ้นพร้อมกับอวิชชาความโง่ของใจของเราแต่ละคนแต่ละคนมันโง้มาแล้วตันหะพวกนี้มันเป็นตันหาใหม่ ภัตตาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัญหายินดียินได้พอใจเป็นตัญหาใหม่เกิดขึ้นตัญหาเป็นปัจจัยเกิดอ่าตัญหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานยึดเอาเลยดีก็ยึดเอาไม่ดีก็ยึดเอาอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างนั้นยึดยังไงก็ได้อย่างนั้นพบเป็นปัจจัยเกิดชาติ เมื่อมีที่เกิดแล้วเราจะต้องไปเกิดในพบในที่เกิดนั้ น, น, นทุกคนมีพบที่จะต้องเกิดระดับของใจของเรานั่นแหละมันเป็นระดับที่บอกได้ว่าเราจะต้องไปเกิดที่นู่นที่นี่เกิดในกามโลกหรือเกิดในรูปโลกหรือในเกิดเกิดในรูปโลกแล้วก็ถ้ามาสุกยอดลงลงมาที่ว่ามีความทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายา เก่าแก่เจ็บตายทุกขะโทมนัสสะอุพาญะความทุกข์ความเหี่ยวแห้งใจความระทมตรมตรมใจความทุกข์ท่างหยทั้งพวงเหล่านี้ท่านให้ย้อนไปย้อนไปย้อนไปเราหัดพิจารณาแล้วเราจะทราบเหตุทราบปัจจัยมันจะเป็นเครื่องกระตุน้นเตือนให้เราย้อนไปดูเหตุย้อนไปดูปัจจัยไม่งั้นเราก็อกลืนทั้งกระดูกอมทั้งก้างทั้งกระดูก ยึดทั้งก้างทั้งกระดูกอยู่ในนั้นไม่ทราบเหตุไม่ทราบปัจจัยของมันธรรมะของเราก็ไม่เจมเ จ, น, ไไมจนนี่คือการยึดการถือพฤพตภือไปไม่จบนี่คือการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมอาศัยหลักสองหลักหนึ่งทำให้ใจสงบเป็นสมัะสมัะตามหลักความเป็นจริงที่เราทำปรากฏได้นี่มันไม่ใช่เรื่อง เหมือนมันไม่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจของบุคคลที่ส่งสงคุณค่าเอาไว้ไม่ใช่ขอที่ไม่มีคุณค่าเรามีสมถะเรามีสมถะเต็มแปรมีฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือระดับความสงบของใจเราก็เอาใจนี้มาท่งฌานยูนในระดับความสงบที่ทำงานได้ ใจมันก็ไม่คิดเดือดด่านกิเลสมันก็มาแทกไม่ได้มันก็สามารถทํางานได้เต็มที่กับเราไม่มีพื้นฐานของความสงบเลยเนี่ยไปพิจารณาพิจารณาเอ้ยไม่ต้องสมถะวิปัสสนาเลยไม่ต้องไม่ต้องสมาธิแหละปัญญาเลยเดินปัญญาเลยมันไม่มีขุมพลังมันไม่มีขุมพลังพอไปไปไปไปแล้วมันเรรวนและสัญญาของกิเลสมันคอยแทรกเข้ามาแทกเข้ามาแทบเข้ามา เราศึกษาแล้วเราดูไปที่ความจริงเราศึกษาแล้วเราเราเราอย่าไปหลงตัวหนังสือเราอย่าไปหลงคาพูดเรามาสงบในความสงบในสมสถน ม, มันก็มีมันก็มีกำลังมันก็มีพลังพลังอาศัยพลังตัวนี้แหละเมื่อเราไปรับทานอาหารมีกำลังแล้วเราก็ไปสับไปฟันไปขุดไปรือ้อไปอะไรได้ด้วยด้วยด้วยมีกำลัง เหมือนกับว่าเรารับทานอาหารเข้าไปแล้วมันมีกําลังความสงบความใจมันก็มีกําลังกับที่คนไม่ได้มีอาหารในท้องเลยเนี่ยไปทำทำเสวี่ย ห, หมดกําลังอะเอาอะไรไปฟันอ่ะไม่มีกําลังไม่มีเรื่องอะไปัญญาที่ไม่มีสมาธิหนุ่มนั้นมันเป็นปัญญาที่เหมือนกับคนทํา ง, งานไม่มีกําลังเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ล้มลุกเดี๋ยวว่ากลางเดี๋ยวมันพาออกนอกนอกลูนอกทาง เพากำลังของกิเลสมันเป็นมีกําลังมากมีกําลังเหนือโลกธาตุอย่างนั้นแต่ไม่อย่างนั้นแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะยอมจํานอนอยู่กับมันหรือเพราะเราที่อยู่บนโลกนี้โดยการทุกคนก็เพราะเราจํานนต่อ ก, กําลังของมันอานาจของมันเราถึงไม่ยอมือแก่เจ็บตายเก่เจ็บตายเนี่ยอยู่เนี่ยแหละไม่งั้นพวกเราก็ไปกันหมดแล้วล่ะ มันมีกําลังมากมายมาหาศาลถึงขนาดนั้นกับเราที่เอาไปสู้เสือมือเปล่านี่ยเสือมังกรตะปบเลือดาสาดเท่านั้นแหละพิจารณาไปคิดไปจาจะของพิจารณาธรรมปฏิบัติไปคิดว่จาจะของปฏิบัติธรรมอ้าวกกเลตเยิมเข้ามาแล้วราคะเยิมเข้ามาแลโทรศัพยเยิมเข้ามาแล้วราะอะไรเพราะเราสําคัญว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วจับหลักไม่ถูกมีแต่สาคัญมันหมายเอา เราชนะครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ไปด้วยกันสมถะกับวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปหนึ่งขุมพลังสองเอาขุมพลังนี้มาทํางานพลิกแปลงเปลีป่ยนแปลงสัพฟันอะไรต่อะไรให้มันได้การได้งานเราอาศัยหลักนี่แหละตามที่ครูบาอาจารย์สอนโดยเฉพาะหลงตาถ้าใช้เดินไปด้วยกันเหมือนเท้าขวากับเท้าซ้ายไปเรื่อยมือขวามือซ้ายไปด้วยกันเข้าวไปเข้าไ ป, าไปต้องการเวลาต้องการให้สงบต้องการให้สงบให้ใหเตยมที่ เวลาสงบเต็มที่เสร็จแล้วออกมาต้องการพิจารณาทางด้านปัญญาก็จะให้พิจารณาให้เต็มที่ข้อสําคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าทําให้เต็มที่ไม่ใช่ทําทิ้งทิ้ทําทิ้งทิ้งติดติดขาดขาติดติขาดขเสร็จแล้วมาทวงบุญทวงคุณวันคืนลงไปไม่ได้เห็นไม่เห็นได้อะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะเราทําทำทำทิ้งทิ้งติดติดขาดขาดไม่ได้อะไรเลย เราฟังอันนี้เป็นอุ ป, ปมาแล้วเรามาดูที่ตัวเราแล้วกัเราก็พยายามปรับตัวเองทําให้เหมาะสมกับที่เราอยากได้มรดยได้ผลอยากพ้นทุกข์หนายวัฏสงสารเราฟังรู้เข้าใจแล้วเอาไปพิจารณาและพิจาปฏิบัติตามนั้นเพื่อประโยชน์ความสุขความเจริญโดยธรรมเก่หัว้ใจของพวกเราทุกๆคนนะพอสมควรเวลาลนะ